Okay. นับจะล้ง า, า, า, างออกาะประเด็นเพื่อนทังเสนเดนทีสองกี่วันการนี่่นจะต้องสูงเหมืนี่แมบอสอมาว่นจะต้องสูง ท่านสงเนพาดถตห่ทแแต้งแแหคือันิพาด ท, ท่ า, ทท า, ททาส น, านาส่งเบืองต้นสุปฏิปันโนสุปฏิปันนสสอสงไพสามาาถ็นสุปฏิปันโนได้บ่ฆร า, าวาสก็สามารถเป็นได้ฆราวาสเป็นสุปฏิปันโนไมายอยู่ นับเป็นตัง้งแสนขังพระเจ้บบาแบหน้าดันทัาข้าเมืองละจะคือที่พระเจ้าพิพิสารพระประภ า, า, าหลายรกราุูติจอมนีท่ทุกคนทุกแข่งละ่ะใชสมือเข้านี่ไม่บอมนมอนก็มี่การรู้เข้าใจแต่ละทางกต่ละคน รูปเจ้ปัญโญปฏิบัติปฏิบัติสอบคือปฏิบัติจยางไหนคือไปเส้นหาบริวูรณ์พรสั้นพระเน้นเท่ากับเป็นพระรูปจปัญโญมัติริสันนปนหาสอดเขามาวากันเอาเส้นหาบริบูรณ์พระเน้นเท่าไับเส้นสองอยสุคิเตนนี่ก็แม่นแล้วมันทำให้จะซื้อ่านมันดามันพอ ย, อยนี่ได้แสดงอาบัติโน่นนี่ ข้างมันติตตัปพงศ์ร่าหน้าโยางไหน้าวัตถุ ก, กาโย่ปายุติยะโย่ไงธุรัตยายาโย่ไงตุกตาโย่ไงส่วนฝักเนื้ก็คือกันมันอนมันหางด่างอาพอยันไยว่าด่าง่าพอยชิ้นหาว่าด่าง่าพอยก็พูดนันกับแม่น่ารู้พระเทวโน เราพูดปฏิพันโนเป็ของเป็นของละเอียดคื อ, อยังไง <c oughs> มีชิ้นห้าบริบูรณ์คนกรุงเทพก็มีหมดอยู่ไนคนกรุงเทพก็มีใช่ไหมเออเราก็ลืมไปแล้วเข้าใจเราคนภาคอีสานนะร <c oughs> ูปปฏิพันโนคือพูดเป็ิ้นห้าบริบูรณ์ไม่ใช่รายอยากลงละเมิดชิ้นหา้า ไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นแล้วก็ไม่เสียดายอยากจะพบวิ็ดชั่วไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งท่านผู้ใดมีผู้ใดมาทำผิดก็ไม่เสียดายอยากจะสาบแช่งเออเคยได้ทำเขาแต่คาดกอนมาก็ให้มันแล้วกันไปคัะ เราต้องไม่ผูกเองจะ่มีโกรธอยู่โกรธอันนั้นไม่ถึงกับแก้แคบยกอก็มีโกรธแยบแย บ, บไม่แก้แคบแยบไม่แบบไม่มีวางแผนจะแก้แคบด้วยวิธีใดๆเลยนั่นภูมิของพระทศวรรษเนี่ยฉะนั้นท่านจึงพ้นไปแล้วจากเปรตตไวิสัยอสุ ร, รากายสัตว์นรกสกิรษสารและท่านมายอมถือ ส, สาสดลาอื่นด้วย ไม่ถือเรื่องดีดียามดีด้วยอบายยุบมุกทุกประเภทท่านก็ไม่ใช่ได้จะเล่นท่านบอกว่าไม่สมภูมิเขาเพราะเป็นทางเขียหายต้องโต้งไม่ถือว่าเป็นทางเจริญถ้าสงสัยว่าจะเป็นทางเจริญอยู่ก็ไม่ใช่ว่ า, าก็ไม่ใช่พระโสดาบันก็ไม่ใช่คือพระทิพา น, นุ เสือไปะโนต้องเห็นดิ่งลงไปหน้าเดียวถอนไม่ออกว่ามันจะทางทิพายหรือไม่เสียดายอย่างร่วงละมเมื่อเมื่อเสือได้ไม่เสียดายอย่างร่วงละเมื่อันใดสิ่งอันนั่นก็มันก็ไม่นักใจที่มันหนักใจอยู่ก็เพราะมันเสียดายทาไมมันจึงไม่เสียดายเพราะมันเห็นว่ามันเป็นทางทิพายดิ่งเลยไม่มีใครจะมาโกหกพวบลมได้มันก็ทิ้งได้ต้องมีความเห็นอ่านั้นเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นเบื้องต้น มาที่ที่ของพระสวดาบันเขียนชอบแล้วนะทีนี้เมื่อถึงพระสวดาบันแล้วพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ก็ไม่ต้องเอ่ยยากมันเป็นคนทางไปทางนั้นมันไปเองมันมันไปเองจะช้าเยอเร็วมันก็ไม่ปลีทางยังกินเิยสมุทัยธรรมารับพันตังเนโรทะธรรมมันติ สิ่งใดสิ่งเกิดขึ้นมีความดับสูญเป็นธรรมดาด้านปัญญาท่านเห็นอเนจังชัดเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้แก้ปวนให้แต่สลายชัดด้านปัญญาด้านธรถะนั่นก็ได้แแต่กรณีบางท่านก็ถึงอุปจารสมาธิบางท่านก็ทําอุปจารสมาธิแล้วไปเห็นในมิตรต่างๆแล้วก็นอ้อมลงสู่ใจละแล้วก็ไม่สงสัยในโลกจั่งปวง เอาเอ้อักประเตงไว้ได้หน้ามาคือมาเล่เคลค้างมาล้างเคลแกมอยู่เออเอาอนั่หนักประเตงไว้ไปเออมีปัญญาเลื่อนมันได้แล้วะไมีปัญญาเนื้อมันสิอเออแล้วก็เห็นหนั่งนักไมันร่มร่มได้รูหนาว ระดูลมว่าวจะเข้าเข็มหันตะละดูเหมันตะระดูจะเข้าเหวมันตะระดูแต่ยังไม่เข้าหรอกเธอท่างหลนเขาบารม m a s a g a r a จงทําให้สีลห้าบริบูรณ์จงทําให้แจ้งซะเดี๋่าเธอจะเสียใจในภายหลัง เหียนเป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาพุทธทรรมสงฆ์ก็เป็นรากแก้วพระพุทธศาสนาเหมือนกันฉะนั้นพระอาลาราบทอุตส่ารดาบทรนามบุตรนั่นนะภาวนาได้สมาบัติแปดสมาบัติเจ็ดแล้วทำไมจึงไม่ถึงพระสวสดาวันก็เพราะว่าเป็นโลคียะสมาธิอยู่ อยราะงไม่ได้ฟารบถึงมาพุทธพระธรรมพระสงค์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่งเกิดขึ้นพระบระมศาสดาทัสลุใหม่ะไปเทศเอาท่านก็บอกว่าท่านปนัจนี้ท่านเข้าสู่ ส, สวรรค์ น, นครหรือเส้นลมปานไปซะได้เจ็ดวันแล้วต่อจากนั้นจึงไปหาพวกมันจะวักขีเสอยาดายหนอเสไยดาหนอถ้าท่านเหล่านี้ยังไม่ทันใน ยังม่ทันที่ตายเราก็จะมาเทศ้ท่านก็จะถึงพระสสดาบาลเพราะท่านเหล่านี้ได้ฌานเนี่ยรูปฌานก็ได้บริบูรณ์เนี่ยกระทานทุติยฌานตัติยฌานเจตุสฌานได้ฌ า, านทั้งเกศทั้งแปลกแล้วฌานางเงแปลว่าเพรีงยงถึสมาธิงแปลว่าตั้งมั่นในการเพ่ง เพ่งทำไมเพ่งเพื่อให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองมดกาลังมันก็ถอนออกมากำลังชานเราเรียกว่าอนิจจังมันเป็นอนิจจังอันละเอียดบุญถึงขนาดนั้นเนวกยยังเป็นอนิจจังอันละเอียดอยู่แล้วจะได้พิจารณาท่งต่ออนิจจังทุกขังอนัตตาทำดีทาให้ตนทำชั่วทำให้ต น, ตนอัตติอัตโนานาโถตนเนคือที่พึ่งของตน ก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนอ ก, กจากกายเขาไม่มีอันไดจะทําใจให้เป็นที่พึ่งของตนได้นอ ก, กจากกายเขาไม่มีอะไดจะทําลายใจได้ใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาของพุทธามาธุพุทธเจ้าคําสอนของพุทธามาธุพุทธเจ้าใจอันนั่นจะเป็นที่พึ่งของตนได้นาถะกันะทำคือทำทำที่พึ่งสิบอย่างหนึ่งศีลรัากษากายวาจาใจเฉบร้อยสอง หนึ่ละอายต่อว่าพทุทธิิสามโอตะปะสตุสรุ่กัวต่อวาพุทธิิตพุทธิิสี่ระองค์ทัะความเป็นคนได้เคยได้ยินหรืว่าได้ยินได้ฟังมากและจาทรงทำชินปะวิทยามากกัญญาวิกตาความเป็นผู้เปเพื่อนในงามโสจัตตารมความเป็นผู้วางง่ายสอนง่าย กิงกรณีใหญ่หัวทักตาความขยันเอาใจใส่ในจิตทุละของเพื่อนทึ่คือสามเดืก็ดีหรือเพื่อนร่วมโลกก็ดีเพื่ร่วมบ้านก็ดีธรรมกามตาความรักใคร่ในทำที่ชอบวิยะเปลี่ยนเพื่อจัลละความชื่อผลพิษความดีสันโดดยินดีและฝ้านุ่งพ้าหม่มอาหารที่นอนที่นั่งและยาตามมีจำได้สติจำการที่ทำและทำที่พูดแล้วแม้นานได้ปัญญารอบรู้ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไร สังขารตามเป็นจริงอย่างเป็นจริงของสังขารก็ไม่เที่อ่อเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความจริงของสังขาร น, นั่นนี่เรียกว่าทำที่พึ่งสิบอย่างย่อดลงมาเป็นอย่างเดียวคือคิดใจเป็นที่พึ่งของตนแปดหมื่นสีพระธรรมขันธ์ก็ย่อลงมาหาคิใจเลยเป็นเอกานิบาตนิบาตก็แปลว่าบทมีบทเดียวคือคิดใจต่อต่อหน้า รัฒนนามย่นล ง, งมาหาเอตนามนามไปวาชื่อมันชื่อใจรูปางเปว่คชื่อมันชื่อรูปลินภาพไปรวมมีจกันเปขายเจ้า ว, ว่ารูปเจ้า ว, ว่ารูปชื่อรูปตัดศีลลงในปัจจุบันศินห้าเขตัดศีลลงในปัจจุบันย่นทั้งห้าข้อเมื่อตัดศีลลงในปัจจุบันแล้วย่นทัง้งห้าข้อแล้วไม่ฆ่ า, ส, าสัตวักษาต่อผู้ปิดในตามแล้ว ้เข้าบัพรทองเนาะก็แค่เป็นสรเนาะเพื่อนวัดเพื่นนับพ่อกับไปยากนับตะเพื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าพอพอห่อบันับห่ออารถรัศเสียนลงในปัจจุบันสมมติว่าเราพิจารณากรรมฐานอะไรรัศสียนลงในกรรมฐานอันนั้นเอาชิ้นห้ารวมลงไว้ี่นั้น ผู้ซื้อสินแปดก็เอาสินแปดรวมล ง, ลงในที่นั้นผู้ซื้อถือสินสองรอยยี่สิบเจ็ดก็เอาศินสองรอยี่สิบเจ็ดรวมรวมลงในที่นั้นผู้ซื้อสินสิบก็สมมติว่าสินสิบรวมลงในที่นั้นในกระเป๋ากรรมฐานที่เรากําลังพิจารณาอยู่นั้นฉันทัพอใจรักใคร่ในเป้าที่ตนตั้งไว้วิทยะเพียรมันประกอบในเป้าที่ตนตั้งไว้จิดตะเอาใจฟักใยในเป้าที่ตนตั้งไว้ วิมังสามันตรองพิจารณาเหตุผลนนเป้าที่ตนตั้งไว้ตกลงศินสมาธิปัญญาในชั้นนั้นนั้นก็รวมกันอยู่ที่แห่งเดียวอืต<ม>ัวสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดกองนันกันก็เป็นเชือกสองรอ ย, ยี่สิบเจ็ดเกลียวเหมือนกันล่ะรวมลงในที่เป้าอันเดียวถ้าศินก็อยู่แห่งหนึ่งสมาธิก็อยู่แห่งหนึ่งคนละมุมโลกหายากเหลือกเกินไม่ไม่เจอไม่เจอไม่พบปรเห็นยิ่งหาก็ยิ่งไม่เห็นอีกด้วยแตกก็เจองันไปอย่าว่าทับแตก เรียกควมปฏิบัติไม่รวมเขาว่าปฏิบัติรวมก็คือศิ้นสมาธิปัญญารวมอยู่ที่แห่งเดียวกันไม่อยู่คนละมุมโลกศี้อยู่ที่ใดสมาธิก็อยู่ที่นั้นก็ศีลานุสตินั่นแหละเดี๋รรยวปัญญาสิสรรา้นสังวรสัมรลสิ้นสติสังวรสัมรวมสํารวมสติปัญญาสังวรสัมรวมปัญญาคือญาณสังวรสัมรวมญาณก็อยู่อันเดียวกัน ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะปฏิบัติได้ศีลก็ไปอยู่ตัวหนึ่งสมาธิก็ไปอยู่ตัวหนึ่งปัญญาก็ไปอยู่ตัวหนึ่งคนละมุมโลกมันก็รวมอยู่ที่ดวงใจที่สติปัญญาที่กําลังพิจารณาอยู่นั่นเองถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครจะข้ามโลกได้ไม่ได้ไม่ไม่มีใครจะข้ามความหลงของตนได้เจตนาถ้าพ้นหวังพ้นทุกข์นะมัตตสังสารมันก็ปัญหามันก็ไม่มากเน้อ ถ้าวังเพื่ออะไรต่ออะไรในวัดตาสงสารเนียปัญหายุ่งเหยิงแก้อันหนึ่งก็อันหนึ่งมาแก้อันหนึ่งอันหนึ่งก็มาแก้อันหนึ่งอันหนึ่งก็มาแก้ไม่ไหวถ้ า, าว่าเห็นภัยในวัดตาทสงสารอยา่างเต็มที่เนี่ก็ไม่เสียดายอยากลองละเมิดศีลถ้ า, ากว่าในวัดตาทสงศารเนี่ยมันน่าอยู่มันน่ากินมันน่าชมมากเพราะไม่เห็นภัยเลยมีแต่ความเพลินทะเยอทยานในวัตถุทั้งปวง ปัญหามันก็ ม, มากความทะเยอทยานในวัฏจักรสงสารน้อยปัญหากว่าน้อยตัณหาความทะเยอทยานอยากได้เรียกว่าสมุทัยพราะเป็นเหตุให้ทุกเกิดหนึง่งตัณหาแน่นมีประเภทเป็นสามคือตัณหาในอารมณ์ที่น่ารักใคร่ชอบใจเรียกกรมะตัณหาอย่างหนึง่งตัณหาในความอยากไปโน้นเป็น น, น, นี้เรียกว่าตัณหาอย่างหนึง่งตัณหาในความไม่อยากไปโน้นเป็นนี่เรียกวภาตัณหาอย่างหนึ่งความดับตัณหาได้เช้นเชิง ทุกทั้งหลายก็ดับไปหมดได้ชื่อว่านิโรธพระเป็นความดับทุกข์ปัญญาอันเห็นชอบว่าสิ่งนี้ทุกข์สิ่งนี้เหตุให้ทุกข์เกิดสิ่งนี้ความดับทุกข์สิ่งนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับทุกข์ได้ชื่อว่ามรรคเพราะเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์มรรคนั้นมีองแฝงประการคือปัญญาอันเห็นชอบหนึ่งดํมริชอบหนึ่งเกเรจารชอบหนึ่งทำการงานชอบหนึ่ง ทำความเพียรชอบหนึ่งเลี่ยงชีวิตชอบหนึ่งตั้งสติชอบหนึ่งตั้งใจชอบหนึ่งในองค์มรรคทั้งแปดนั้นเห็นชอบดำริชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาเกดจาชอบทำกิจงานชอบเลี่ยงชีวิตชอบสงเคราะห์เข้าในศีลสิกขาระลึกชอบตั้งใจไว้ชอบสงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขาโดยใจความก็คือศีลสมาธิปัญญา กลมกืนกันอยู่ที่แห่งเดียวศีลสมาธิปัญญาของพระโสดาบันตรงกลืนกันอยู่ที่แห่งเดียวศีลสมาธิปัญญาของสัจธรรมีก็เหมือนกันกลมกืนกันอยู่ที่แห่งเดียวศีลสมาธิปัญญาของพระอนาคามิก็เหมือนกันกลมกลืนกันอยู่ในอันเดียวศีลของพระอนาคามิก็เหมือนกันศีลของพระอรหันต์ก็กลมกืนกันอยู่ในขณะเดียว ไปสนาโคมก็เหมือนกันก็ย้ายขึ้นไปถ้าถึงขั้นสักทาคามีนาคาเมีถ้าย้ายอันหนึ่งก็ย้ายอันหนึ่งขึ้นขึ้นไปหมดนะโมก็มันกันนะโมพระส ว, วัดิบาลนะโมสักคาคามีนะโมพระอนาคามียนะโมพระอรหันต์มียิ่งย้อนกว่ากันนะโมก็แปลว่านอบน้อมหลักของมันแต่ว่านอบน้อมเพีกันนะโมพุทธชนคนหนาหนะโม นั่นแหละนี่ก็นอ้อมนอมไปหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์หาอะไรต่ออะไระนะนโมของพวกโลกีพุทธังสนงามคาฉามีก็เหมือนกันพุทธโธก็เหมือนกันพุทธโธพระสวัสดิวันพุทธโธพุทธชนคนหนาพุทธโธพุทธชนคนหนาก็น้อมหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์สารพัดอ้อเป็นโลกีทีนี้เอาคําสอนของบรมศาสตร์มาเป็นโลกีเลยไอ้ที่แท้คําสอนของพุทธศาสตร์ธรด า, ษา นั่นแหะเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีแต่เราไปเอาคําสอนของท่านมามอมเมื่อจิตเราอยู่ต่ำเก็ไปดึงคําสอนของท่านองค์ท่านลงมาต่ำนี่มันก็เลยกลายเป็นโลกีไปซ ะ, ะแต่ความจริงคําสอนของพระบรมศาสนาเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีคล้ายๆกับ อาหารอันเดียวกันแต่ท่านผู้พ้นไปแล้วถ้าไปดื่มไปกินท่านไม่ไม่มีกิเลสนี่ผู้ที่มีกิเลสไปดื่มไปกินก็เป็นกิเลสตามเดิมของใครของมันนั่นผ้าพือนเดียวกันกามือนกันพระรหารมานุ่งไม่มีกิเลสแต่คนเราไปมีกิเลสไปนุ่งก็เป็นกิเลสอยู่ที่ใจนั่นเพราะมาอยู่กับวัตถุภายนอกมันอยู่ที่ใจไม่อยู่กับคําที่ชื่อว่านโม อรหันอรหันอย่างนี้ใครก็พูดได้แต่ว่ารสของพระอรหันนั่นมันเป็นอีกรสหนึ่งสวสดาวันสวสดาวันอย่างนี้ใครก็พูดได้แต่ว่ารสของพระสวสดาวันเป็นอีกอย่างหนึ่งพระจักทาคามีก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพระอนาคามีก็ละเอียดไปกว่านั้นรสชาติของพระอรหันเขละเอียดไปกว่านั้นอีกถ้าไปยินดีในโลกทั้งปวงท่านข้ามไปแล้วถ้ามาสงสัยในโลกทั้งปวงเลย ท่ไม่มีอุปทานใดๆทั้งปวงท่านพ้นไปแล้วไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดๆเลยท่านตัพวพ้นไปแล้วแต่พวกเรามันยังไม่พ้นมันก็อยู่ไปซะก่อนแต่ว่าความพ้นหรือไม่พ้นมันก็ขึ้นอยู่เป็นสิทธ์อยู่กับแต่ละคนไม่เป็นสิทธ์กับบุคคลผู้เทศและผู้ฟังเป็นสิทธิ์แต่และท่านและคนผู้จะรู้เองเห็นเองกล่อให้เป็นสิทธิ์ของใครของมันซะ บราลมาศาสนาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่ใครจะพูดอะไรคอ้พูดมาซะที่นี่เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรมันจะจริงจะถูกรับความประสงค์